you. 8:00 เป็นไทยรวมกันด้วย โปรดติดใจ FM 90.25 MHz ขอดูแลคุ้มครองด้วยใจดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่ 9 ปีที่ผ่านมาให้ได้ที่ผ่าน ขอเวลาอีก 20 จังหวัด 95 สถานีขอเชิญฟังรายการอีสานม้วน น. ถึง น. ขอคืนความสุขให้กับ 9 ปีที่ 22 ให้ ทหารจะทําหน้าที่เป็นผู้แล้ว ในเรื่องที่เป็นหัวข้อในการไปรูป 2 ของ นะครับเรื่องทั้งหมดก็ไปเข้าสภาๆอย่าง เช่นดนตรีบันเทิงให้เขาได้คลายเค้าได้ลดความ 2 โน่นมี ทำให้ถูกต้องซ้ํามันก็จะ 2 สภาปฏิรูปนะครับวัน เพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลา ครองด้วย 9 ปี กองทัพ 20 จังหวัด 95 สถานีขอเชิญฟังรายการอีสานม้วนสื้นคืนความสุขให้ รู้จะขอสู้กับอันตรายชาติ เพื่อนํารักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ได้ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมานั้นผ่านและต้องการให้ทุกฝ่ายได้รับข่าวสารที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงเพื่อป้องกัน 2 ได้ร่วมกับจังหวัดทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือสํานักประชาสัมพันธ์เขต 1 เขต 2 บริษัทตํารวจๆรวม 100 สถานี จะร่วมกันจัดรายการในลักษณะ 25 นาทีคร่วงเวลาตั้งแต่ 8:05 น. ถึงเวลา มีข้อติชมใดๆก็ๆตำรวจทหารภาคธุรกิจเอกชนธุรกิจ รวมทั้งคณะแม่ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง 100 สถานี 20 จังหวัดภาค 2 20 จังหวัดภาค ที่ 101 ค่ะ 101 FM 94 MHz แม่ข่าย 101ด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ 20 ยินดีต้อนรับด้วย 9 เดือนอย่างไม่หยุด เมื่อเมื่อวันจันทร์นะฮะเมื่อเมื่อวันจันทร์เมื่ออ่าเมื่อวานครับเอ่อท่านๆแล้วเอ่อเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่ง เอ่อได้รับทุนพระราชทาน มี <c oughs> 25 แล้วนะฮะแล 2 แล 2 คนจาก 101 เอ่อผมเห็นแล้วก็ปรับเพิ่ม คงจะเอ่อที่ค่ะ ชิ้นสําคัญเลยนะคะเรียกว่าล้น ครับโอ้ของขวัญชิ้นนี้ๆค่ะชิ้นนี้ ก็เราก็มาตั้งใจที่จะดู หอพักนั้นเอ่อจะทําให้ทําร้ายเด็ก ไตน์นะฮะเข้ามามีส่วนร่วมและที่น่าดีใจ ต้องขอกราบขอบพระคุณตรงนี้เลย หมอสมรพักผ่อนแล้วก็ครับ 101 จับเพื่อดูว่าจุดไหนเป็นจุดเสียงนะครับเฝ้าระวัง <คะ. S 2> เป็นจาก 20 จังหวัดภาคอีสานนะคะซึ่งมาเรียน 20 จังหวัด การันตีเค้าเรียกว่าให้ใบรับรอง ภูมิด้วยการสวนข้าวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ ทีนี้มันเป็นปัญหาว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับ ต่างอย่างไรก็ตามครับเอ่อ <Okay. S 2> เอ่อเอาพันธุ์ต่างๆนะครับหรือฟื้น จังหวัดต่างๆ ที่จะมาทํา 32 รายใน 20 จังหวัด เวลาเราจะทําอะไรตอน 20 วัน เป็นการเยียวยาความสุขที่ 8 เดือนที่ไม่ได้รับเงินเนี่ยนะ ตอนนี้คณะรักษาความสงบแห่ง ให้ช่วยตรวจสอบดูแลว่าเอ่อยาๆต้องเป็นราคาที่ เอ่อขายในราคาอ่าทํากันแค่ รวมก่อนหน้านู้นที่ว่าเรา เอ่อมีการค่ะ 2457 นะ 100 ปีจริงๆเนี่ยถ้าให้ผมให้สรุป <แ น. S 1> ก็คือจะต้องไปดูแลในเรื่องทุกข์สุข ตัดแม่เรื่องสําคัญเรื่องนี้ค่ะนะครับ 081 เอ่อ 8057540 ป้ายประกาศในอำเภอแล้วก็จังหวัดแล้วก็ แต่ครับอันนี้ก็ได้แก้ไขอ่า โอ้โห 101 นี่คดีนี้พุ่งเลย คิด 2 บ, 2 ถึง 3 เราได้รับความร่วมมือจากทางเอ่อเจ้าหน้า นะฮะค่ะมีอะไรจะย้ําถึง นะนะนะครับเราก็คงจะต้องถือรับหน้าที่ จังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมที่จะนําเข้า เอ่อได้ขอความร่วมมือให้ แล้วก็จะมีความดีให้กับสังคมคืนไปอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งในเรื่องศาสนาพุทธจะมี<ใช> 3 จังหวัดได้ไปวางระเบิดคาบอมที่ใต้ได้ 10 ปีและ แม้กระทั่งเด็กก็ต้องมาโดนระเบิดนะครับ ประกาศ 3 เรื่องนะฮะให้ผม 2 ก็ นะครับเอ่อได้ใช้กําลังนะ เขามาทําต่อเป้าหมาย เรียกว่าเรียกว่าๆค่ะเรียกว่าๆค่ะ ขออีกนิด 2 นาทีอีก 2 นาทีท่าน อ่าแจ้งเตือนครับว่าช่วงนี้น้ํามานะครับ ก็ไปพลิกคว่ําเอาน้ําออกครับแล้วก็อีก สัตว์เค้าก็มีเหมือนกับมนุษย์เรานะก็ต้อง <c oughs> ร่างกายมีแผลก็จะไปสัมผัสน้ําไป นะบางทีก็จะมีค่ะค่ะ 20 กับพบกับท่านผู้ว่าการจังหวัด 101 ค่ะ 24 ชั่วโมงนะคะแล้วติดตามฟังรายการ ท่านเป็นผู้นำที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแต่สินใจนอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจาก อ่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดทหารบก 2 นะคะ 2mlth หรือ พิมพ์ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คํา 2 ขอบพระคุณท่านผู้ 101 ขอบพระ 101 และก็ 20 จังหวัด 100 สถานีและ นะคะวันนี้ประชาคมจังหวัด 101 ทําหน้าที่ดําเนินราย รถข้อขัดแยงด้านรายงาน